ผมงทำต่อชักหน่อยให้เป็นส่วนประกอบการศึกษาปฏิบัติธรรมก็พยายามใส่ใจมั่นใจในการศึกษาอะไรอย่าทำแบบผิวผิวเผิอเผิอให้เป็นน้ำครึ่งแก้ว เติมเข้าไปอยู่เรื่อยชีวิตเรามันมีอะไรเกิดขึ้นภายนอกภายในให้ใส่ใจดูอย่าปล่อยทิ้งโนมีสติเป็นหลักอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นที่กายที่ใจเราอย่าจำนวน แม่ว่าจะยอมรับตัวไม่เที่ยงควมเป็นทุกข์งมไม่ใช่ตัวตนยอมทุกข์เพราะความทุกข์ยอมโกรธเพราะความโกรธนั้นไม่ใช่นั่นเรียกว่าจำนนต้งยอมรับทั้งจำนนยอมแพ้ <c oughs> ไม่ว่าอะไรก็ตามใจใจ แม่จะเห็นรถติดโคลนติดตรมของคนเดินก็ใส่ใจแต่ช่วยจะให้ช่วยหาทางออกแม่แต่คนเจ็บใครได้ป่วยก็ใส่ ใ, สใจต่ช่วยที่แนะนำอะไรต่างๆอย่าปล่อยทิ้งอะไรก็ต้องศึกษา เมื่อปัญหาเกิดขึ้นให้มาเกิดปัญญาอย่าให้ปัญหาเกิดปัญหาในตัวนอกตัวเสนอตัวเราเข้าไ ป, ห, ป, าปญญาหัดเป็นผู้นำทางกิจปัญญาหัดเป็นผู้นำทางความคิดในปัญหาเมื่อเกิดขึ้นอย่เราแท้ๆหลัหลง ปล่อยทิไปทำไมให้มันหลงทำไมเราทุกข์ปล่อยให้มันทุกข์ทำไมเราโกรธปล่อยให้โกรธทาไมมีคนที่ไม่ทุกข์มีคนที่ไม่หลงมีคนที่ไม่โกรธในโลกนี้เราอย่ายอมศึกษาให้ทุ่นทีทีท่วน บางทีเกิดปัญญาขนาดที่มีปัญหาได้เกิดความทุกข์ขนาดที่มันทุกข์ได้อาจะร่งแค้ไหนความทุกข์เคยซบหวงอาจะหัวลกออกมาได้ยิ้มในภายในใจ เอามันออกวางสง เ, เทศของจริงดีแล้วมันหลงจะได้ลูกดีเลี่ยวมันทุกจะได้ลูกดีเลี่ยวมันผิดผิดจะได้ลูกดีเลี่ยวมันถูกจะได้ลู ก, ลล ก, ล ก, ลกเป็นพ่อมันออกมาผิดมันลงมาเลายเป็นพ่อบ้านแม่บ้านให้เต็มที่อจะทำขึ้นเ ง, งินก่อน จะเป็นผัวเป็นเมียก็เป็นกันให้เต็มที่ตำมาที่เป็นพ่อคนแม่คนก็ทำให้เต็มที่ให้เชื่อฝีมือของตัวเองมนการกระทำทั้งกายทั้งใจทั้งความคิดในโลกนี้มันก็ไม่ไม่ยากอะไรมากเลย อะไรก็ไม่ได้ทําไม่ได้ยาก น, นี่ก็ยากอันนี้ง่ายไม่ใช่แบบนั้นความยากความง่ายไม่มีปัญหาเรามันใส่ใจเรื่องนี้อยู่เวลาเราปฏิบัติแนี่มันก็เห็นน่ะมันยากยากเป็นยากหรือยากเป็นรูเห็นแล้วรู้แล้วไม่ให้ความยากเป็นความยากความผิดเป็นความผิดผความถูกเป็นควงมถูก เรียนลกูกว่ามันก็มีโจทย์มีการเฉลยได้มันจะเก่งตอนที่มันเฉลยโจทย์เป็นโจท์โยมเล่าอยู่ไม่ใช่เราเป็นโจทย์ตัวเราเราเป็นจำเลยตัวเราเราก็ต้องพิพากษาตัวเราเองให้พ้นไป ไม่ใช่เลือกลองแม้คนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ไม่ยอมรับเสมอไปเราเป็นตัวของเราเองแม้แต่การเจ็บไข้ป่วยเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ยอมรับไม่ไม่จำนวนมันมีทางอยู่ เหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนกับเกณฑ์ชี้วัดเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีไม่ทุกข์เมื่อมีโกรธก็ต้องมีไม่โกรธเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีแฉะต้องมีไม่แฉะเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตายเกณฑ์มันชี้วัดแบบนี้แล้วก็อย่าโจรหาทาง ัทางรู้เอาไว้นี่หรือคือทุกข์นี่หรือคือเหตุแล้วก็ทำอะไรที่พอทำได้ตัวนกแสดูมันจิงก้าวหน้าปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปกปกแปลกๆเราก็ทำได้นะยิ่เราไปดูคนป่วยเสนอตัวเราเข้าไป เขาให้ถึงแต่เมื่อก่อนเคยเป็นหมอทำคลอดไปดูคนป่วยคนเจ็คลอดคนเจ็บคลอดก็มี <คน S 1> ทุกข์ก็กลัวกลัว<น>ตาอยู่แล้วถ้าเราไปดูเขาไปนั่งอยู่นู้นให้เรียกหมอมาเรี ย, ยงหมอมาหรอยังไม่ใช่ควาเป็นหมอเขาให้ถึง เดินก็ไปอย่างองเกิดนั่งงงใกล้ๆมีคำพูดออกมาเต็มที่มาเขาเก็บมันต้องเก็บมันแหละคนต้องคนอยู่ในคันในท่อมันต้องเก็บแม่จะเราปวนหนักปวดโบมันก็ยังเก็บมันเก็บมันจะออกมันจะเคลื่อนมันจะออกเหมือนเราปวนหนักก็ต้องถ่ายได้นี่มันจะปวดมันก็ดีแล้ว ผมก็ทำแบบนี้มาทั้งบ้านทั้งวัืงเราเกิดแบบนี้กันทั้งนั้นแหละไปกลัวอะไรไม่ใช่เราคนเดียวมันเจ็บที่ใดมันปวดที่ใดน่ะละเด็กมันเคลื่อนมันจะคลอดมันจะออกไม่ต้องกลัวผมก็ทําคนคลอดมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วไม่เป็นไรบางคนก็เจ็บนานบางคนก็เจ็บไม่นาน คนที่พูดไม่เป็นนั้นเก็บนานทําไมมันมีอะไรขัดข้องอยู่หรือเปล่าไปหาหักดอกมาให้ดูอะไรดูมันก็ยิ่งกลัวใหญ่คนที่เก็บก็กลัวอยู่แล้วไปพูดให้กลัวอีกจะมีอะไรมาทําให้เขาต้องตายหรือเนี่ยเขาก็กลัวคิดไปแล้วก็ห้ามไม่ต้องให้ผัวดื่นพูดเราพูดคนเดียวเองเมื่อดูคนสองคน เ็าคนอื่นอยู่เฉยๆนั่งงอนเราก็ได้เราจะดูคนเดียวชื่อให้มันให้มันท่าขึ้นมาคนที่ก็ลองจากครอบมันก็ใจดีมันเพ่งเราเราก็ทำให้เขาเพ่งได้มีคำพูดคำจากมามีพิธีกรมรมอะไรก็ทำออกเจ็กน้ำวนน้ำอะไรล้างหน้าล้างตาให้ฝีผมตาแป้ง ก็ยืมได้เวลาใดมันเจ็บมันจะไม่ล้องมันจะสู้ได้เมื่อจิตใจมันดีเราให้ทางกิจใจมันเดินเพื่อนมันเมื่อบนใจมันดีมันก็ไม่กดดันเด็กมันก็โคตรได้ง่ายถ้าใจไม่ดีเลยขวงขววงกันไปทางขวงแต่กก็หนุนถูกคิด ผิดทิศผิดทางไปแล้วก็มีปัญหานี่ตัวเราเนี่ยสร้างปัญหาให้ตัวเองเลยอาจจะครึ่งหนึ่งปัญหามเกิดขึ้นมาอาจจะไม่มากแต่เราสร้างให้มากขึ้นเราเจ็บนิดหน่อยมาสร้างปัญหาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นแล้วควรดอยัวรจะเป็นอย่างนั้นควยเปิดใบกันใหญ่เราเลยเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ แม้แต่ความหลงเฉยๆก็ยากหัวโลมันหลงโดมันทุกข์ก็เฉยก็ยากใ น, นกกกกความทุกข์มันอาจจะมีการหัวโลลึกๆภายในยใจยิ้มยิมเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นโกจนาะทุกข์น่ยต้อว่าทุกข์น่ยสนใจที่สุดตัวเกิดว่าเจ่ว่าเจ็บ ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว่าตายสนใจใส่ใจเรื่องนี้ เมื่อมันเกิดนี่ก็เห็นมันอย่างใส่ใจเมื่อเราเห็นงูใส่ใจมันเห็นเสือก็ใส่ใจมันเห็นปัญหาก็ใส่ใจมันไม่ใช่ทิงกบเกลื่อนลองดูชิมจะแก้วกล้าขึ้นมาแก้วก้าวลักษณะนี้มันถลาได้ก็โดดได้ เราไปเจองูก็โดดได้ไม่คิดจะกระโดดแต่มันกระโดดได้หัดความเขื่งแข็งในความ อ, อดแออย่าชี้แพ้ปาราชัยศึกษาอะไรก็ตามให้ใช้ใจเรียนรู้ในใจเป็นพปรุปกรรมหัตกรรม <c oughs> ก็สนใจบ้างเอยสนใจอยากเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าจะไม่เป็นหนุ่มไปตัดผ้าไปดูเขาเย็บผ้าไปดูเข า, ขาเข้าป๋าไปดูเขาเข้าซิปเขาเตัดยังไงกะยังไงบางทีก็ถามแล้วก็มาทาดูแ ม, ม, ม่จะทำ่าทำไถ่ทา เครื่องจากเครื่องสารก็ทำได้เจับไม่ไผ่ขึ้นมาเป็นตก๊กเป็นมวยเป็นกองข้าวเป็นกระบงกระตาสนิจใจนสนใจจริง้ก็ทําได้สำเร็จชีวิตของเรามันสดชื่นจริงๆอะไรก็ทำไม่เป็นอะไรก็ทำไม่เป็นไม่กลา้าไม่แก้วกลา้า นี่คือคือขนตัวเงว่าศึกษาสนใจเงื่อนอื่นนินทาเราก็ใส่ใจดูหวังดูไม่ใช่รอจะกดพอใจไม่พอใจใส่ใจมันนินทาเรื่องอะไรอย่างใส่ใจหวังดูถ้ามันถูกกองเขาก็ขอบคุณเลยถ้าไม่ถูกก็ขอบคุณได้ทั้งสองแบบ ได้ว่าทําแม่เราได้มองตัวเองแล้วเขาเสนอเราเกาะในเรื่องใส่ใจก็ได้เม่อเขาพูดตัวเองแต่ไปใส่ใจถ้าเขาไม่เข้าใจถึงเราทํำก็พยายามตั้งใจเอาใหม่เหมือนพระพุทธเจ้าใส่ใจต่จะรู้ไหมออกจากสีมัโปรจะ ไปประกาศศาสนาไปพบกับอุปกาชีวคสุพุทธะไม่ใช่ใครที่ไหนจำไม่ได้โอ้เถื่อนคนที่เดินมาเห็นพระุทธเจ้าอาจจะเป็นอุปกากชีวุเนี่ยใช่ไหมถูกพัดถ่ายอ่าท่านเป็นใครท่านมาจากไหน ใครเป็นคูของท่านทีกถามอย่างสนใจเพราะว่าดูท่าทางเรจสง่างามหมนคนมีความสามารถแะไรเจ้า ก, ก็พูดแบบองอาททานทีเราเป็นชาวเสียมโูตัดสุริงโดยชอบไม่มีใครเป็นคูของเรา ถกว่าชีวบก็พงวันลำลอยใส่เดินหนีไปเลยไม่สนใจเอ้ เ, อเอพื่อถือว่าเราพูดผิดไปเอาใหม่เอาใหม่ตั้งต้นใหม่แทนที่จะได้แสดงธรรมแก่คนผู้พบเป็นคนแรกเนยผ่านไปอย่างไม่ทำเให้เขาไม่พอใจ ตั้งต้นใหม่เอาใหม่ไอ้อไปพบปัญจพิชัหนีจากอีกอ ก, ก็ยังเติมไปอยู่ใส่ใจสองข้างล้วผิดพลาดพอไปถึงข้างที่สามปัญจพิชัไปเห็นปัญจพชีไม่ลุกนั่ง เจ้าก็พวกเครื่องหอมแรงดูก่อนปันจ้าวคีดูก่อ น, อ, นอะไรก็ดูก่อนไม่เหมือนเาหรอกเราเป็นสยมผูไม่ใช่แบบดูก่อนปันเจาวคีดูก่อ น, นวางพุเจ้าแสดงธรรมดังที่เราสวดธรรมจักกับปวัตตสูตรมันเพราะที่ชนลอยไม่เหมือนคำ ตัดออกจากผู้โอตนแล้วเราเป็นชาวสยมโูตัดจะเลืองโดยชอบนะมันไม่ยอมรับคนฟังมันอวดเกินไปเอาย่อไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นี่ก็คือเมื่อ <c oughs> คนไม่เข้าใจจึงใดก็ยาอยามใส่ใจพยายามใส่ใจ ไม่ยอมเมื่อทำใจไม่ได้พยายามใชยใจเหมือนหลงตาเนี่ยหายใจไม่ได้อหมอท่อช่ยปากหมอจะถอดท่อออกเพื่อให้ยางกีโม้าไม่ถอดท่อจากปากจะให้ไม่ได้ เราก็จะตายก้อนเนื้อมันโตขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องให้เกีโมก่อนให้เจี่ยโมต้องถอดท่อจากปากหมอทั้งสามคนมาเยืนอยู่ของพ่อผมจะถอดท่อจากปากของพ่อได้หรอถอดออกจากปากใครหลวงพ่ อ, พอสวดลมดู แล้วก็ได้ยินแล้วก็ฟังดูแ ล, แล้วแต่เขาจะทำน่ะหายใจไม่ได้ผมจะเอาถุงนี่กบจะหมกให้หลวงพ่อสวดลมดูถ้ามันไม่เข้าผมจะเอานี้ยใส่ก็บอกของตามสบายตามสบายต่อเขาอถอดต่อเขาถดเราหายใจลองดูไม่ได้หายใจไม่ได้คือขึ้นไหน หมอก็เอาทออาถุงอคมก็หายเก็บได้หมอเอาอออาท่อสอดเข้าปากอีกอ่าง <c oughs> หมอคนหนึ่งบอกว่าผมว่ามันถอดไม่ได้หมออีกคนนึงว่ามันต้องได้ถอดไม่ได้ถ้ามันต้องถอดได้ถ้าเอาไว้นานม่ปีผลข้างเคียงไม่ดี ต้องโทษได้แบบยายามโทษให้ได้เนี่ยโดยทั่วไก็โทษได้หมอคนหนึ่งก็ต้องโทษได้คนหนึ่งว่าไม่ได้แล้วถอดได้ก็พยายามทำได้แล้วจริง นี the and to to the <that can ่เราก็เหมือนกันลองดูทีเหมือนนั่งเครื่องวินไปลงนิวยอร์กเครื่องวินลงไปได้ว่าจะลงเจดขึ้นอีกสองรอบสามรอบแล้วก็ดูคอมวิวเตอร์จีน่าจอเขาว่าเขาก็พูดว่า พยายามลงให้ได้เวลานี่อากาศทางล่างปั่นป่วนมากมันก็เจอไปอวิ่งไปบินไปลงอีกก็ลงไม่ได้มันจะบอกก็เป็นก็บอกว่าจะพยายามลงให้ได้แมงหัวยิ้ม่มันยังยิ้มอยู่ได้เลยมันก็ลงได้พยายามลงให้ได้เรลงโูบพื้นดินแล้วก็ แม่แต่เราจะเปิดเดินอกอกก็ที่วอนสบงไม่อยู่ตัวเลยหลงมันพัดแรงก็พยายามเนี่ยภาษาไรความหลงพยายามที่จะลู้มันความทุกข์พยายามที่รลู้มันหน้าตายเป็นยังไงใส้ใจลองดูจัดสันกับบรรยางตีทำอะไรก็ตาม จะเป็นพ่อนาก็จัดสรรอย่างดีดำดำมาแปลงนี่จะปักดำมานี่ดูแผนที่เป็นยังไงที่รุ่มที่ดอนไหมถ้าที่ดอนก็เอากล้าเอาไปถอนกล้าแปลงนั่นใส่ที่ดอนก็ต้องเอากล้าอีกแบบหนึ่งที่รุ่ก็กล้าอีกแบบหนึ่ง หน้าที่ดอนต้องเอาก้าไม่แค่น้ําแล้วก็แค่น้ำมันอ่อนแอมาขังไปที่ดอนไม่มีน้ําขังมันจะไม่ค่อยสู้ต้องก้าที่แปลงที่ไม่มีน้ําถอนมาปลูกเหมือนต้นไม่ในล่มต้นไม่กลางแค่งถ้าหาต้นไม่ในร่มเพื่อออกไปกลางแข่งจะไปตายกลางแค่งไหนี่ียวไม่ได้ตาย ต้องค่อยๆย่อยออกให้ได้รับแสงสว่างตากแดดขึ้นๆกลางๆล้ำได้ําไลไปคนแล้วค่อยๆออกไปเราเป็นชาวนาถ้าเอาก็าต้นก็ไปปักในที่ดนเอาก็าแช่น้ําไม่ได้ต้องอก้าที่ไม่แช่น้ําไปปักมันก็อยู่ได้ถ้าที่รุ่งเอาก็ที่ตอนไม่แช่น้าไปปัก มันก็ไม่ได้ปูก็กัดแล้วก็ที่ร่วมมันน้ำขังบักดำตัวน้ำขังต้องกล้าที่แค่น้ำไปบักมันชินต่อกันงอขึ้นได้จัดสรรใจมันอย่างดีทำอะไรก็ตามมันมีสูตรทองบัรจูเ้าใส่ใจศึกษาเรื่องไหน ให้มันมั่นใจทำอะไรมั่นใจมั่นใจถูกต้องเป็นผู้นำน้ำตัวเองน้ำการงานจะไม่หนึ่งเห็นลดจำลองจะตกของเนี่ยหน้าวัดบ้านฝายจาก อ, องทานข้ามาจางเนี่ยมันคันคู่ น, น้อยรถไถไ ถ, ถดินไถไปไถไปมันถะเลลงไปก็ลองหยัดคว่ำตกคลองลงไปมันก็หยุดเราก็บอกให้มันหยุดเราก็ช่วยมันเราจะหาโลดหวานลาดมันอาจจะตกเหมือนเดิมก็เอาเชือกหวา ด, ดึงไว้มันก็ ก็ได้แต่ว่าเราดูท่าตางต้องขุดล่องตี้ร่องมันแต่ว่าเอียงไปร่องหนึ่งมันเหี่ยวเนี่ยต้องขุดลงลงไปขุ ด, ข, ดขุดลงไปมันลึกสักนหน่อย <c oughs> ลึกลงไปสักหน่อยเราจะดงค <c oughs> วามเป็น <c oughs> ผู้หน่อมสักหน่อยเราไม่เคยมีรถ <c oughs> แต่ว่ามันน่าจะเป็นเนี่ขุดลงเนี่ยขุดล่องไป เราขุดล่องมันจับลงแหวนไต่ล่อรถล่อรถมันต้องอยู่บนขุดล่องมันจ่องแหวนไต้ล่อรถ ด, ดิ้นแป๊บเดียวมันดิน้นไปโดนล่อก็ไถ่าระหว่างได้ล่องได้สบายเลยนี่ล่องงัดเป็นผู้นําไม่ใช่อะไรเห็นปัญหาอะไรทอดทิ้งปัญหาเกิดจากเราแท้ๆน่ะทําไมาเราไปทิ้ง มันดีปฏิบัติธรรมมันสนุกสนุกโตโ ต, โตโ๊ทอกท่วงตรวจศกมันง่วงหรือใสใจมันหลงหรือใส่ใจมันทุกข์หรือใสใจมันยากหรือใส่ใจมันเนี่ยไม่มีอะไรทำอะไรชีวิตเราเนี่ใสใจเรื่องใดสําเร็จเรื่องนั้นไม่มีความมั่นใจ การปฏิบัติธรรมนะมันเป็นโกบเป็นคำจริงจริงไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องเล่นเล่นไม่มีสาระอะไรมันมีสาระในความหลงมันก็มีความไม่หลงแน่นอนรยปเในความทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์มีสิทธิไม่ทุกข์ไม่เวลาที่มันทุกข์มีสิทธิไม่หลงในขณะที่มันหลงจริงๆเรื่องนี้ ต้องหัดฐาน <c oughs> อย่าให้เป็นการบ้านเฉลอยไปหมอเจอความหลงความมั่งไม่ดีแล้วดีแล้วโจฝีมือของเราโว์ฝีมือแสดงเป็นนักแสดงบทบาทในเวทีของชีวิตเราทุกเรื่อง ไม่ขี้แพ้มาทางไหนแบบไหนที่ปัญหาที่เกิดเกิดลปกับใจเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมาทางไหนกิเลสมันไ ด, ไได้ไม่ได้ขี่ช่างขี่มากมาอะไรมากมายมันเกิดจอบไม่น้อยงั้นเดีนนวนงสือวันเนี่ยเมื่อวานเนี่ย มีคนต้องไปเจอสังหาชีวิตมานานความต่อ ว, ว่าเลยมันเป็นความทุกข์ความสุขเจนไปก็ น, นั่งอยงกระท่อมนอยเโอ้ยความสุขมันอยู่ที่กิดความทุกข์อยู่ที่ความคิดหัวลตัวเองขึ้นมาโอ้ยความทุกข์ก็คือความคิด ความสุข ก, ก็คือความคิดเกิดจากความคิดี่เองเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ได้แต่ว่าพอรู้ธรรมเช่นไหช่นหนึง่เนงเห็นความคิดไม่หลงไปในความคิดเห็นความทุกข์ไม่หลงในความทุกข์เนี่ยไม่เคยเห็นความคิด ต่มาเห็นความคิดจ่มันคิดขึ้นมามันตัวมันเห็นเนี่ยมันใหญ่กว่าเหมือนเหล็กก้ามาเชอมาเจอหินชามันอยู่ได้เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นไปกับมันมันเกิดไหลขึ้นวางกับกายกับใจเห็นว่าเหล็กหินกาหินชาของเป็นมัน มันเหล็กก้าแต่ก่อนเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ยอมมันสุขก็เป็นสุกมันทุกข์เป็นทุกข์มันหลงเป็นหลงมันโกรธเป็นโกรธยอมเมื่อมาเจอภาวะที่เห็นเหล็กหินชาเข้าไปมันก็มันก็มันก็พ่ายแพ้เมันกันนะใหญ่หรือว่าลาชาธรรมธรรมลาชาภาวะที่เห็นไม่เป็นนี่เป็นราชาธรรม เป็นมุขกกทอมทำอย่างนี้มันไม่ยากไม่เหลือวิสัยที่เราทําได้เมื่อมันหลงเห็นมันหลงมันทุกข์เห็มันทุกข์ไม่เข้าประโยชน์ในความคิดความคิดกับความลูปอันคนละอันกันเป็นภาวะที่เห็นเนี่ยอันนั้นมันคิดนั่งอยู่นี้คือรูปคืนน้า ม, มรูปอะไรอยู่เนี่ย แต่มันคิดเป็นโอ้ไม่ได้ตั้งใจอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งมันจะหอบมิรู้ไปไม่ได้เรานั่งอยู่มันคิดให้ลูกก็ไปลูกตามที่มันคิดเราเดินอยู่มันนั่งมันคิดจะให้นั่งก็ไม่นั่งตามความคิดไม่ไม่มันคิดก่อนเราจะใช้มันเอาตัดถองยัดปากมันเราเป็นการตอบปัญหา ตัดถังยัดปากใคนความคิดนั่นแหละให้ความคิดรับสารภาพโดยจะให้เรานั่งจากความคิดเราจะั่งของเราเองใคนความคิดนั่นแหละมันบอกให้เรารู้ให้เรารู้จดก่อยมันให้ความคิดที่มันหลงให้เป็นประโยชน์เรียกว่าตัดถังยัดปากเอาคําตอบของมันตอบมันเอง เั้นเฉีมบั้นหน้อมต้องบุญหน่อมปัญหาเหตเกิดต้องเหตุนันแหละแก่อะไรที่มันเกิดพุะเจ้าจังบอกเหตเกิดจึงได้แก่ตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาจี่อื่นนี่คือมันมีหลักแบบนี้จริงๆอาศะธรรมะนี่นจึงเป็นการ ปฏิบัติได้ให้ผลได้ปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้ังใครปฏิเสธเรื่องนี้เท่ากับว่าไปเสียตัวเราเองใครก็ช่วยเราไม่ได้โอ้เจ้าก็ช่วยไม่ได้พตาแม่ครูบอาจารย์ไอ้ก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไปเสียตัวเองหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธ อะไรนั่นปฏิเสธตัวเองไม่ไม่ถูกต้องดูถูกตัวเองปิดบังตัวเองเป็นบาปบาปอะไรก็ไม่เท่ากับทําบาปให้ตัวเองแผลแต่เมตตาแต่ตัวเองยังไม่ไม่แผลมตตายตัวเองมันก็ไม่ใช่เราต้อง เราต้องตั้งต้นให้ได้ถ้าเราตั้งต้นได้มันจะเป็นตายเหมือนเราเก้าหนึ่งไม่เก้าอีกเก้าหนึ่งเก้าที่สองก็ไม่มีนั่นมันหลงรูปเป็นเก้าแรกมันได้สองมันหลงรูปเก้าที่สองรูปไปในความหลงรูปไปในควา ม, วามทุกข์แล้วก็จะมากขึ้นม่หยุเลิกลงไป ตอนต้นไม่เราปลูกต้นปลูกตั้แต่ต้นปีมันก็งามกว่าต้นที่ปลูกเมื่อวานนี้อวานนี้หลวงพ่อกรมไปไปปลูกมันก็ยังไม่มีรากอะไรถ้าปลูกต้นปีมันก็ต่อยอดแล้วหลวงหลวงมันต่อยอดเป็นลูกไปแล้วทูกต่อยอดเป็นลูกไปแล้วคนละใบกันแล้วคนละชาติกันแล้วคนละพบกันแล้วคนละต้นกันแล้ว มันก็ต่อไปเกิดแก่ก็เกิดดอกออกผลโตได้ถ้าไม่มีหลงน้ามันหลงไม่รู้ตรงนั้นนะ่ะมันก็เหมือนต้นก็ อ, นกอยู่เรื่อยมันก็ไม้เกิดดอกออกผลได้หลงเป็นรูนะ้เนาะมันดีรนะี่ว่าเหตุยิ่าทำไมเหตุต ป, ประวั จสังเวยทุงตระถาคตุกรชุกรึงวกระเหตุจะดับก็ดับที่เหตุนั่นนะแถ้าใครปฏิบัติมีหลงอยู่นั่นแหละมันจะมีพื้นเพที่ปลูกหลงปล่อยเหมือนมีแผ่นดินมาจจะมีอะไรปลูกลงไปแล้วจะเป็นถ้าจะพูดว่า ดินดีเพอยะห้าปกป่ารกก็เสือดุเสือมันดุอยู่ในป่าป่าจังรกดินจะดีเพอาะหญ้ามันปกกดนานถ้า <c oughs> ที่ไหนเห็นดินเห็นหญ้าปกโบรานไปดูไปย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นถ้าเห็นหญ้าปกบนดินหน้าแรงเห็นต้นไม้ต้นหญ้าเขียว มันแหละเรื่องลูกเรื่องเต้าได้ไม่อดไม่อยากเห็นตน้นหญ้าเห็นต้นโบกเห็นต้นยางเห็นต้นไม้สูงสูงเขาจะมักจะซื้อตรงนั้นเป็นที่ทําอยู่ทํากินของเขาคนโบราณหญ้าปกตรงไห น, นดีตรงนั้นไม่ใช่ตรงไหนที่มีไม่มีหญ้านองโล่งอันน่ะเจ็บหาย นน้ถ้าพูดถึงดินจริงเขาก็จะทำหลายพวกยาให้ให้ยาหมดจากแผ่นดินใช้กับมกโซนใช่แล้ปาขีดลองปอยให้ยาตาย <c oughs> <c oughs> ถ้ายาไม่มีในแผ่นดินเราก็อยู่ไม่ได้อันนี้คือยา ค, อคือเนี่ยความหลงความโกรธความโลภความทุกข์เนี่ยเป็นยา ลมันมันก็เป็นผลดีมันจะเป็นปุ๋ยพราะู้ได้เพราะมันหลงปนทุกข์เพราะมันทุกข์นโกรธเพราะมันโกรธบคุความทุกข์บคุความโกรธบคุความหลงไม่ใช่ไปรังเกียจมันปัหาที่ไหนนะขบคุณมันจะเราพระเราทให้เรามีปัญญา ในชีวิตเราถ้าเจอปัญหาเนะดีแล้วให้ให้ใส่ใจนลายมลายมอลอยจะได้แก้นี่คือปฏิบัติธรรมมันเป็นงานเป็นการของเราเราไม่สร้างสติก็มีสติจริงจริงเคลื่อนไหวมือลู้เสึกก็ลู้จริงจริง เวลาเคลื่อนไหวเมื่อไม่ไม่หลงอมันหลงก็หลงไปก็เปลี่ยนเป็นลูกก็ได้จริงจริงปฏิบัติได้ให้ผลได้จริงจริงเข้าไปเข้าไปเข้าไปผ่านหลงเป็นลูกห่านหลงเป็นลูกไปเรื่องง่ายต่อไปถ้าไม่ผ่านหลงเป็นหลงก็ยากอยู่เรื่อยได้ไหมะดวก เป็นด่านยิ่งป็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมผ่านได้ก็ง่ายหนึ่งก็ง่ายไปผ่านหนึ่งได้หนึ่งก็ง่ายไปนะ น, นอันนี้ไปจะไปข่อนเกควรใช้ชวเวลาการับคองกณฑ